ดังได้นำประวัติท่านมาลงอยู่ขณะนี้น้าแต่ตอนเย็นไปตลอดจนถึงยามดึกสงัด ข, ของคืนวันนั้นท่านว่าใจมีความสัมผัสรับรู้อยู่กับปัจจัยาการคืออวิชาปัจจัยสร้างข้าราเป็นต้นเพียงอย่างเดียวทั้งเวลาเดินจงกรมทอนหัวค่ําทั้งเวลานั่งเข้าที่ภาวนาจึงทําให้ท่านสนใจพิจารณาในจุดนั้นโดยมิได้สนใจกับหมวดธรรมอื่นใด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 โปรสัตย์กลับได้บาปไ ป, ปะปล่าๆนี่เป็นความคิดที่เกิดขึ้นกับท่านขณะที่ค้นพบทำอัศจรรย์ใหม่ๆยังไม่ได้คิดอะไรให้กว้างขวางออกไปพอมีทางเชื่อมโยงถึงการอบรมสั่งสอนตามแนวาศาสนธรรมที่พระศาสดาพาดำเนินมาในวาระต่อมาค่อยมีโอกาสทบทวนธรรมที่รู้เห็นและปฏิบัตาเครื่องดำเนินตลอดตัวเองที่รู้เห็นทำอยู่ขณะนั้นว่า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 ไม่มีความเคารพและไม่สนใจที่จะฟังขณะฟังมีผู้ส่งเสียงอื้ออึงไม่สนใจว่าทรมีคุณค่าเพียงไรขณะนี้เป็นเวลาเช่นไรและกำลังอยู่ในสถานที่เช่นไรควรจะใช้กิริยามัญยาต์อย่างใดถึงจะเหมาะสมกับกรณีเห็นเป็นธรรมดาธรรมดาแบบโลกที่ชินชาต่อธรรมาจนจาเจชินชาต่อวัดชินชาต่อพระชินชาต่อธรรมเหมือนสิ่งธรรมดาทั่วไปอย่างนี้ก็แสดงไม่ลง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 รอบที่หนึ่งสิ้นสุดลงแสดงบทบาลีขึ้นมาว่าโลโปบอกความหมายขึ้นมาพร้อมว่าขณะใหญ่ของจิตที่ทาหน้าที่สิ้นสุดลงนั้นคือการลบสมมุติทั้งสิ้นออกจากใจรอบที่สองสิ้นสุดลงแสดงคาบาลีขึ้นมาว่าวิมุดบอกความหมายว่าขณะใหญ่ของจิตที่ทาหน้าที่สิ้นสุดลงนั้นคือความหลุดพ้นอย่างตายตัว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 ท่านไปแบบไม่เหลียวแลแม้คู่ปรมีที่เคยทุกเคยจะเกีรตกายถวายความจงรักภักดีในพบน้อยพบใหญ่หมอด้วยกันก็ไม่เหลือมองชาติวาสนาของตัวนี้แสนอาภัพก็อยู่ไปตามกรรมมีแต่รูปคลัมทุกข์ไม่มีวันปล่อยวางอย่างนี้แตผู้พ้นไปก็ไกลทุกข์แต่ผู้ที่กำลังตกอยู่ในกองทุกข์ก็อดทนไปคิดไปมากเท่าไรก็เหมือนคนไม่มีปัญญาแต่อย่าขึ้นไปชมเดือนดาวบนฟ้า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 ไม่มือดบอดจอดจมไปถ่ายเดียวหากคิดอย่างนี้ก็น่าอนโมธนาสาธุกการและพลอยเบาใจหายห่วงไปด้วยไม่เป็นความคิดที่ให้ทุกผูกมัดรัดตัวจนพากันหาทางออกไม่ได้เพราะทำกลายเป็นโรคความหวงใ ย, ยสงสารกลายเป็นศัตรูคู่ก่อเวรขณะที่ฟังท่านสั่งสอนด้วยความเมตตาสงสารเหมือนสายน้ําทิพย์ในลำธารประพรมสดสงด้วยทั้งเหตุและผล